คุณีวุฒิคุณีวุฒิมีอะไรนะ้หมานนาเป็นยีงไงบ้างคุณกบเป็นไงนา่าก็รู้สึกวันก็จะมีความสกวนนี้เลยค่ะคือเวลาจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติเจริญแล้วเส่อมเราอย่ายไปตกใจ เ่ลาที่เขาเสื่อมเนี่ยแค่รู้เฉยๆอย่าอยากให้ดีถ้าเราใจเราเป็นกลางกับความเจริญและความเสื่อมเนี่ยเราไปไม่ค่อยเสื่อมละเพราะอะไรเกิดขึ้นจิตใจไม่ทุรนทุรายเลยแต่ถ้าเราอยากให้ดีถาวรเนี่ยเราจะยิ่งคนกว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งหาไม่เจอ ให้คอยรู้ทันเท่านะั้นนะคือสิ่งที่ผิดก็มีสองอั น, นไม่เผลอไปก็เก่งเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่รู้ทันนะมันก็เข้าทางสายกลางมันไปนะดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นเรื่อยๆกดดีใจด้วยคือปฏิบัติได้เรามีความสุขเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยนะบางคนบางลัทธิอะไรเงี้ยเขามุ่งความสุขปัจจุบัน ไม่สนใจอนาคตพวกนี้ดูแต่เฉพาะหน้าเที่ยวหาประโยชน์หารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เพลิดเพลินพอใจพวกนี้เอาปัจจุบันอย่างเดียวไม่สนใจอนาคตเป็นไงช่างมันอีกพวกหนึ่งพ่วงแต่อนาคตปัจจุบันเป็นยังไงช่างมันพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันพวกนี้ยอมลำบากทุกอย่างเลยทําดีไปเรื่อยๆกะว่าชาติหน้ามันจะดีชาติหน้ามันจะมีความสุขศาสนา พ, พุทธนี่อัศจารย์กว่านั้นนี่ มีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะอนาคตก็ยิ่งมีความสุขมากกว่านี้อีกทันทีที่เราเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวจิตก็มีความสุขเลยนะยิ่ฝึกฝนไปเรื่อยใจปล่อยความยึดถือลองไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆคุณเฉลิมพงศ์เป็นไง้็รู้ไปเรื่อยนะตอนนี้รู้เต็มที่ยัง ค่อยๆสังเกต น, นะมีอะไรแฝงอยู่ในใจเราบ้างนะไม่ไม่เต็มที่ทีเดียวนะยมีความมัวแทรกอยู่มีโมหะเล็กๆแทรกอยค่อยๆ ด, ดูดูยากโมหะเป็นของดูยากที่สุดสังเกตไม่น ใ, นใจมันเบิกบานไม่เต็มที่ค่อยดูดีแล้วคุณกบคุณเฉลิมพงศ์ดีแล้วนะสองคนคุณชาเชิงเตาเอาคุณชินมาไกล ว่ามาดูอะไระให้ศักว่ารู้นะนเขาไปช่วยเป็นจิดนะแล้วเขาจะสอนเราเองเขาจะแสดงตรลักษ์ให้ดูดวออกไหมอารมณ์ทุกอย่างเขาสอนใจลักษ์เราหมดเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับอากุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะความสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันอีก ในสุดใจเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกับทุกๆสภาวะนะเป็นกลางกับสุขเป็นกลางกับทุกเพรั้นเวลาความสุขมานะใจเป็นกลางมาได้มันก็ไปได้ความทุกมานะก็เป็นกลางมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนกั น, ใ, นใจก็หมดการดิ้นรนเข้าไปสู่ความสงบสุขไม่ดิ้นรนเพราะว่ามีปัญญารู้ทันทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดฮะ ถูกนะแต่ยังไม่ล้อยเปอเซ็นนะต้องดูปีอีกยังไม่พอรู้สึกไหมใจนเราตอนนี้เป็นยังไงดูออกไหมมีอะไรแทรกอยู่ดูออกบ้างไหมมันยังซึมอยู่เลยหน่อยอะ่ะดูได้ไหมอาจจะง่วงก็ได้รีบมาไวเอาคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญเดี๋ยวจะไ ด, ด้พูดถึงคนใหม่ๆบ้างเอาว่ามา ก็ถูกแล้วล่ะนะถูกแล้วทําถูกแล้ ว, นะลวทําต่อไปแต่เบาไม่ใช่แปลว่าถูกนะอันนี้เฉพาะของคุณเบาแล้วมันถูกนะแต่ถ้าหนักแล้วผิดหมดทุกคนนะจิตหนักหนแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆึมคื้อคมันอากรุสลรจิตเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วแข็งแข็งนะแสดงว่าทําผิดแล้ ว, ล ว, วทําทอย่างนี้แหละทําบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีนะ คุณสุวิทย์ใช่ะลืมไปแล้วอ๋อสังเกตนะว่าไงดีแล้วนะใจเราใช่รู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะทั้งสองคนดีนะสองคนดีแล้วล่ะคุณสมงเกตตื่นได้เยอะแล้วรู้สึกไปมันง่ายนิดเดียวเราไปทำให้ยากเองมันมีธรร ม, มะอยู่หมวดหนึ่งชื่อปปัตนจะทำธรร ม, มะที่ทาให้เนิ่นช้า ท่านประยุทธ์ท่านเขียนบอกว่ามันทำํำของง่ายๆธรรมดาเนี่ยให้ซับซ้อนเกินไปให้ยุ่งเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็อยากปฏิบัติเนี่ยแล้วก็มีเจ้าความคิดมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างงนี้ตัวทิฏฐิแล้วมันอยากปฏิบัติเนี่ยตัวตัณหาพวกนี้ทําให้เสียเวลามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ง, ง่ายนิดเดียวอย่าตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอะนะหัดไปอย่างนี้ยนะ หัดไปเรื่อยจนะทั่งเรารู้สึกตัวได้เรื่อยๆหลวงพ่อจะบอกอะไรให้ความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนเผลอตอนนี้เผลอแล้วหนีไปคิดแล้วสงสัยทราบไหม ย, ยังไม่เลิกคิดนะงงอะ่ะรู้ไหมงงรู้จักงงไหมงงรู้ว่างงนะเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆ อ่ะสงกันบ้านไหมก็มีนะครับแต่ว่าคือถ้าุเนี่ยมันจะรู้นะครับแต่ว่าพอมันสุกปุ๊บมันเดวมันคลุอาเวลาสุกมันเาเรียกว่าเผลอเพลินมีศัพท์ตัวหนึ่งนะเรียกนันทิราคะเผลอเพลินพวกเทวดาเลยภาวนายากนะงั้นมนุษย์นี่ภาวนาง่ายหน่อยเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุก เขาคุณดูไปอีกนะตากันบ้านสังเกตดูไหมเรายังมีการจงใจปฏิบัติอยู่ไหมอ๋อดีครับแต่ว่ารู้ทันตัวจงใจแล้วนะู้เรื่อยๆนะยังไม่เลิกจงใจนะยังมียังยังยังไม่เลิกจงใจทีเดียวยังเหลืออยู่นะค่อยๆสังเกตแต่แต่ยังจงใจปฏิบัติอยู่รู้สึกไหมตอนนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันเกินธรรมดานะ ไปอุ้มมันไว้ไปประคองไวนะ้ให้รู้ทันนะตัวนี้ทำให้เนิ่นช้าก็คือเราลงมือทำานะใจเราก็จะรู้สึกเหมือนดีอยู่ที่แท้เราไปอุ้มมันไวนะ้มันไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าเห็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาคอยรู้ทันไปเรื่อยเราไปใจเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่อุ้มไว้หรอกอุ้มไว้ก็ยังเป็นภาระค่อยดูไปนะต้อง แว บ, บเดียวอแบบไม่ไม่ต้องไปปกครองอะตัวตัวตัวเทวิสามวิอมันช่วงขนาด น, นะของจริงๆริอะขนาปัจจุบันปัจจุบันมันขนาดเดียวแวบ็บเดียวนั่นแหละมากกว่านั้น่ะของเกะมากกว่านั้นเท่งเอาไว้ต้องปกครองไว้ต้องเท่งไว้ต้องกําหนดไว้เหมือมนจะไม่ใช่วิปัสนาหรอกวิปัสนาเรารู้ลงปัจจุบันปัจจุบันก็คือขนาจิตต่อหน้านี่เองจะดูถูก ขณะเล็กๆนะเวลาที่มากเกิดนะเกิดขณะเดียวไม่เกิดสองขณะเลยเพราะฉะนั้นเราคอยรู้คอยดูของเราบ่อยๆออาคนเก่าๆออาคุณแมวเชิญดีดีใจด้วยถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันก็สบายดีเพราะจริงๆจิตโดยธรรมชาติของมันประพัดสอนอยู่แล้วมันผองใสอยู่แล้วล่ะ นี่มันเศร้ามองเพราะกิเลสมันแทกเข้ามากิเลสตัวหนึ่งก็นักปฏิบัติเนี่ยมีกิเลสแบบนักปฏิบัติอยากดีอยากดีเกลียดชั่วพอกิเลสมาหาทางไล่ปีมันกุศลมาหาทางรักษามันในกิเลสของนักปฏิบัติทำให้วุ่นวายารู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นดูเหมือนดูคนอื่นอะแนวดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยนะไม่ใช่เรานะ ไอตัวนี้มันโกรธนะดูเหมือนดูคนอื่นโกรธอยู่นะไอตัวนี้มันเดินนะดูเหมือนเดินดูคนอื่นเดินถ้ามันมีเราโกรธมันมีเราเราเดินนะมันก็ความทุกข์มันก็เปิดขึ้นค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปวันหนึ่งใจมันแจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าทําหน้าที่ของขันห้าสบายมากเลยนะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความตกขเปแมวไม่ใช่ปฏิบัติเรายิ่งทุกข์นะ จิต ท, ที่ไป็นกุศลมันมีความสุขอยู่ในตัวเองนะมาหากุศลจิตมีโสมนัสเวทนาเบิกบานมีอุเบกขาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มๆไม่ใช่กลางแบบแข็งๆนะคุณแมวเลี้ยงออกแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราไปทําให้มันแข็งอนะันั้นเราเราไปสร้างทุกข์ขึ้นมาโดยหวังว่าทุกเต็มที่เราจะได้ดีพนะี่แท้ให้ ร, รู้รู้ทนันความปรุงแต่งจนเลิกปรุงแต่ง มากผลนิพพานไม่ใช่ตัวลึกลับอะไรหรอกเป็นความพ้นจากตัณหาพ้นจากความปรุงแต่งเพราะนั้นเราจะไปปรุงแต่งให้วิเศษยังไงก็ไม่บรรลุอะไรหรอกเอาคุณชินรู้สึกไว้คุณชินของโยมเป็นไงเ อ, อดีดีก็ดีเนาะ <c oughs> <c oughs> ดีแล้วล่ะทําสุกแล้วไปดูบ่อยๆเมื่อทําเป็นแล้วหน้าที่ก็เหลืออันเดียวทําบ่อยๆ ไม่ใช่ทำเป็นแล้วนานๆดูทีหนึ่งหลายวันดูทีหนึ่งนะไม่ได้ดูให้บักมากๆเอา้าน้่นหลักข้างหลังนั่นน ะ, ะคุณนะเป็นไงส่งกันบ้านไหมนเออดีๆก็ให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติใช้ได้จิตมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสก็ใช่ได้แล้วอยากปฏิบัติก็กิเลสนะ เอาของคุณล่ะมันไม่เลิกคิดหรอกแต่ว่าอย่าไปหลงคิดหมยถึงคิดแล้วรู้ไวๆหน่อยคี่เรารู้เราก็จะตื่นหลุดออกมาเลยซ้ำว่าไงซ้ำเออดีเป็นเด็กจอระจัดคุณปากคุณปากเป็นไง ดีแล้วนุชใช่ไหมชื่อนุชใช่ไหมดีแล้วล่ะรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียนโดยไม่เคยถามเลยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่นทนทนหน่อยเอาคุ้นแอลว่าไงส่งกันบ้านนี่ก็ชอบส่งกันบ้านในใจ <c oughs> รู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกไปอา้าวยมหรวย ออแล้วสองวันก่อนมันไม่หลงทางคิดเหรออ่าอ่าแต่ลเราอ่าดูไปนะไม่เที่ยงนะเราไม่ได้ดูเพื่อบังคับแต่เราดูตามที่เขาเป็นวันหนึ่งใจเราแจ้งขึ้นมาทุกอย่างไม่เที่ยงเลยบังคับไม่ได้ใจเราเราบังคับไม่ได้นะดีละดูไปอย่าโมแต่ดูนกนะ อของคุณเสื้อสีฟ้าส่งกันบ้านทำไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้สอนให้ทําอะไร <c oughs> เราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมคือการต้องทําอะไรคุณรู้สึกไหมว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะไม่ต้องทําอะไรหรอกรู้สึกว่าออึดอัดใจไม่รู้จะปฏิบัติยังไง ร, รู้ว่าอึดอัดนะรู้อย่างที่เขาเป็นเลย นัปฏิบัติเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติก็คือการที่เราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเราไม่ต้องทำอะไรมากมายการกระทำทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคอยขัดขวางเราไว้จากธรรมะการกระทำมี3แบบ1หงลงไปเลยไปทำอกุศลอันที่สองบังคับตัวเองไว้ทำกุศลอันที่สหลีกเลี่ยงการรู้อารมณ์นะเรียกอนเนชาที่สังขาร ปรงความว่างว่างไม่รู้ไม่ชี้อะไรเพราะนั้นการปรุงแต่งก็มีสามแบบนี้เท่านั้นเอเราไม่เอาทั้งสามแบบแต่ใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ทันอย่างเนี้ยตอนเนี้ยใจหนีไปคิดทราบไหมเดี๋ยวให้คอยรู้แค่เนี้ยเวลาคุยกันเนี้ยคุณสังเกตไหมอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี้ยเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ไปคิดดูออกไหมฟังเราก็คิดฟังเราก็คิด เนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมสังเกตนะเราฟังแล้วเราคิดฟังแล้วก็คิดแต่ถ้าฟังเราไม่คิดเราจะฟังไม่รู้เรื่องนะงั้นโดยธรรมชาติทุกคนฟังเราคิดหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันใจไปฟังรู้ว่าฟังใจไปคิดรู้ว่าคิดถ้ารู้ทันอย่างนี้ใจจะเลิกปรุงแต่งเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยเนี่ยหีไปคิดทราบไหมฟังแล้วก็ไปคิดดูอยกหรือยัง น่นบังคับไว้แล้วเสื้อแดงอะ่ะรู้สึกไหมเห็นไหมสุดโตกไปข้างบังคับนละ้รุงแต่งฝ่ายดีนะได้เป็นคนดีแล้วตัวแข็งแข็งนะถ้าฝ่ายชั่วแล้วก็เลื้อยเลื้อยไหลไหลไปนะง่วงทางกายหรือง่วงทางใจง่วงทางกายเหรอถ้ายังไม่ถึงเวลานอนก็ลุกขึ้นเดินจงกรม นะครับมันเดินไม่ได้มันง่วงเต็มทีกลุ่มใจไห้ไม่ชอบง่วงหม <c oughs> เออไม่ชอบให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบมันจะง่วงก็ช่างมันนะเมื่อใจเราไปรู้ว่างง่วงใจเราไม่เป็นกลางใจเราอยากหายง่วงให้รู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางที่มันอยากหายง่วงให้รู้ทันที่ใจตรงนี้ส่วนมันจะง่วงหรือไม่ง่วงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใจเ็ๆนะเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรื่อก็เราไอ้นี่ก็เราจะเอาดีให้ได้ไบางคนท่องสุภาษิตเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะได้เกิดต่อไปนั่นแหละห <c oughs> นีไปคิดทราบไหมงงอ่ะงงรู้ไหมกําลังงงอยู่รู้ไหมงงแล้วก็หนีไปคิดหาคําตอบรู้สึกไหมเราไม่เรียนกรรมฐานด้วยวิธีนี้กรรมฐานง่ายกว่า น, นั้นอี่งงรู้ว่างง ไม่รู้เรื่องช่างมันปะไรไม่ต้องแก้ให้รู้อย่างที่มันเป็ น, ใ ห, น, ปนให้ทราบว่าง่วงให้ทาบว่าใจไม่อยากให้ง่วงทราบเข้ามาให้ถึงใจใจเราไม่อยากให้ง่วงรู้สึกไหมรู้เข้ามาให้ถึงใจของคุณไม่ยอมรู้คุณจะชับคิดออกฟังหลวงพ่อพูดเลยคิดใหญ่เลย ไม่รู้ทันที่ไม่อยากง่วงอยากหรือไม่อยากนั่นแหละเรียกว่าตัณหาเพราะฉนั้นใจเรารู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงรู้ได้ว่าเป็นกลางไม่ทุกข์นะแต่ถ้ามันง่วงแล้วอยากหายง่วงก็เป็นทุกข์เราปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติให้ไม่ง่วงเฉนะนั้นความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่าโกรธต่เป็นกลางเราความโกรธไม่ต้องอยากให้หายโกรธหรอกนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นคนดี แต่เราปฏิบัติเพื่อจะไม่ทุกข์เพรนง่วงแล้วอย่า ก, กลุ่มใจนะง่วงกลุ่มใจเ <c oughs> ห็นไ้ม <c oughs> กลุ่มใจเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าอยากหายง่วง <c oughs> อวเอาเหรอเอองั้ก็น่ากลุ่มคือมีทุลนะนึกว่าทำกรรมฐานแล้วมันง่วงองงวก็ให้ผู้ร่วมกิจการของเรา ช่วยดูแลลูกบ้างไม่ใช่ลูกเราคนเดียวนี่เนาะต้องช่วยกันเลี้ยงรู้สึกไหมสบายบสบายแล้วเฟื่องเฟนรู้ไว้นะเอาคนใหม่ๆหม่ฟังนะคนใหม่ๆมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากได้ธรร ม, มะเราอย่าไปวาดภาพธรร ม, มะว่าคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ใกล้ไกลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะ ต้องทํำอีกนานๆถึงจะรู้แต่ถ้าเราคิดว่าธรรมะคืออะไรที่มันลึกลับอย่างนี้เราจะหามันไม่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วเราเดินชนธรรมะอยู่ทั้งวันเลยแต่เราไม่รู้จักเราก็ละเลยที่จะรู้ธรรมะเที่ยวมาตามวัดไม่ว่าจะได้ธรรมะหรือไม่ได้หรอกนะใครก็สอนธรรมะเราไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าอยักสอนธรรมะเราไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้แค่บอกทางให้เราปฏิบัติเอาเองปฏิบัติเองแล้วถึงเห็นธรรมะด้วยตัวเอง ธรรมะคืออะไรธรรมะมีสองงานที่เราจะต้องเรียนอันหนึ่งเรียกว่ารู ป, ปรธรรมะหรือรู ป, ปรธรรมหรือกายนี่เองอันหนึ่งคือนามธรรมาคือความรู้สึกนึกคิดทางใจของเรานี่เองเห็นไหมเราละเลยที่จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะเราไม่คิดหรอกว่านี่คือธรรมะเราคิดว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะงั้นเรียนยังไงก็ไม่เจอธรรมะหรอกคล้ายๆเดินชนธรรมะทั้งวันแต่ไม่รู้จัก ธรรมะก็คือกายกับใจของเหล่านี้ให้คอยมารู้กายคอยมารู้ใจนะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4ี่อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุ ก, ทกขสัจจะอะไรคือทุกขันห้าหรือกายกับใจนี้คือทุกขท่านให้ทํำยังไงกับทุกขท่านให้รู้กายรู้ใจทุกขให้รู้ไม่ใช่ให้ละของเราชอบละทุกขนะแทนที่เราจะรู้ทุกขคือรู้กายรู้ใจนะเพราะงั้นเราจะทํำยังไงเราก็หาธรรมะไม่เจอ ว่าธรรมะมัวแต่อยู่กับพระมัวอยู่ที่วัดมัวอยู่ในการเข้าคอร์สเราลืมไปว่าธรรมะอยู่กับตัวเรานี่เองมาตั้งแต่เกิดแล้วนะชาติก่อนธร ร, รมะก็อยู่กับเราชาตินี้ก็อยู่กับเราตายไปเกิดอีกนะชาติหน้าธรรมะก็อยู่กับเราแต่เราไม่เอาเราไม่สนใจที่จะรู้นะธรรมะคือกายกใจของเรานี่เองเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมานะชื่อบอกแล้วนะว่าเป็นธรรมะ หน้าที่ของเราก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆดูซีกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยคือกายกับใจคอยรู้สึกอยู่ที่กายมันเป็นเราจริงไหมรู้สึกอยู่ที่ใจจิตใจนี้เป็นเราจริงไหมคอยรู้สึกเนืองเนื่องการที่คอยรู้กายคอยรู้ใจเนืองเื่องเรียกว่าการเจริญวิปัสนาใช่ไหมวิปัสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับนะไม่ใช่การยกแข่งยกขาทาอย่างงั้นทอย่างนี้นะ นิพพานก็คือการที่เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้าเรารู้กายนเนืองเนืองรู้ใจนเนื่งเืองเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์นะกายไม่ใช่สุขหรอกจิตใจก็ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่เราจะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ได้ว่ามีปัญญาเข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ แต่เราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ากายกับใจเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราหรอกอะไรเงี้ยมันจะคลายความยึดถือปล่อยวางได้คําว่าปล่อยวางออกไปคือคําว่าวิมุตต์นั่นเองจิตมันหลุดพ้นออกมาจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการยึดถือกายยึดถือใจเนะมื่อจิตเราพ้นจากการยึดถือกายยึดถือใจแนละ้วเราก็จะเข้าไปสัมผัสกับธรรมะอีกชนิดหนึ่งตอ น, นี้ธรรมะที่พ้นจากรูปจากนามคือนิพพานนะเป็นความสงบเป็นความสันติ น, นี้เรายังไม่เห็นนิพพานไม่เป็นไรให้คอยรู้กายรู้ใจถ้าเราไม่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองธรรมะจะไม่เข้ามาสูดใจของเราเลยยกตัวอย่างเดีย๋ยวพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์สอนเราว่าขันท่าเป็นทุกข์กายกระใจเป็นทุกข์ถามว่าเราคนไหนบ้างถ้าไม่ไม่เพราะนะหยาบหยาบหน่อยหน้าไหนบ้างที่เห็นว่ากายกระใจเป็นทุกข์ไม่มีซักหน้าเดียวเราจะรู้สึกว่ากายเนี้ บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมไม่ใช่เห็นว่าเป็นทุกนะแต่เห็นว่าทุกบ้างสุขบ้างจิตใจเนี่ยท่านบอกมันไม่เที่ยงเรารู้สึกไหมจิตใจเราเที่ยงเราคนนี้กับเราเมื่อตอนเด็กๆก็เราคนเดิมเราก็รู้สึกว่าใจดวงเดิมนั่นเองเราเมื่อเช้ากับเราเดี๋ยวนี้ก็คนเดิมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เคยเจริญนิพพานาเราไม่เคยตามรูปกายตามรู้ใจเราก็คิดว่าของเรานี้เที่ยงอย่อย่างี้ แต่ถ้าเราคอยรู้กายในกายที่มันเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างจริงไหมทําไมพระพุทธเจ้าว่ากายเป็นทุกข์อ้านั่งทําใจสบายๆนั่งให้สบายอพอเรานั่งสบายสักพักหนึ่งนี่ยความทุกข์จะตามมาละมันเมื่อยเมื่อยมันบีบคั้นอะต้องขยับขยับทําไมขยับหนีความทุกข์นั่นเองพอหนีมาข้างนี้สักพักหนึ่งทุกข์อีกแล้วขยับมางนี้หนีทุกข์อีกแล้ว ในสุดเราจะเห็นเลยความทุกข์เนี่ยตามบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ทุกอิริยาบถเลยยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ทำอะไรมันทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าเรามีสติรู้อิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยเรเราจะเห็นเลยมันทุกข์ตลอดทุกอิริยาบถนะนี่บางคนอยากละเอียดกว่านี้อีกอิริยาบทยังน้อยไปอลองรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ส่วนใหญ่ไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพื่อให้มันสงบมุ่งหาความสงบก็ได้แต่สมถะลองมุ่งหาความจริงของชีวิตดูบ้างถามว่าเราหายใจเพื่ออะไรเราหายใจเพื่อแก้ทุกข์นะไม่หายใจก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเพราะงั้นจริงๆแล้วก็คือร่างกายนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่แค่ทุกอิริยาบถนะหายใจเข้าไปเนี่ยรู้เลยหายใจเนีเพราะว่าแก้ทุกข์ความทุกข์บีบคั้นหาช่องว่างที่ว่ามันจะเป็นสุขจริงๆเนี่ยหาไม่เจอเห็นไหมเราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะ่ะวท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์เนี่ยเเรามาคอยรู้สึกคอยตามรู้ตามดูในที่สุดเรายอมรับความจริงเอากายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่หัดดูอย่างนี้นะ ถ้าชอบรู้กายหรือบางคนรู้อีกแบบหนึง่งชอบรู้การเคลื่อนไหวนะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเดี๋ยวซ้ายแลกวา่ากระดุกกระดิกยกไม้ยกมือยกเท้านะบางท่านก็หัดขยับอย่างสายลงพ่อเตียนหัดขยับมันเลยขยับไปทำอะไรขยับเพื่อจะได้เห็นความเป็นอนัตตาของกายเวลาที่เราเคลื่อนไหวอยู่นียถ้าใจของเราตั้งมั่นพอ เราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่กำลังเคลื่อนไหวตัวที่กำลังกระดุกกระดิกอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้หรือถ้าดูธาตุเรากินอาหารแล้วเราก็ขับถ่ายเราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกนี่ก็คือธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา น, นั่นเองกายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุดูอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเห็นอนัตตา พระงั้นเราถ้าเราคอยมีสติรู้กายเนืองๆเราก็จะเห็นกายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้เป็นอนัตตานะนี่เห็นตรงที่พระพุทธเจ้าสอนนะกายไม่ใช่ตัวสุขแล้วไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษแล้วสุวชาตินี้ทําได้แค่นี้พอจะตายเนี่ยจะไม่ทุรนทุรายเวลาจะตายเราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันกําลังจะตายไม่ใช่ตัวดีมันจะตายถ้าตัวดีจะตายจะเสียดายแต่ตัวทุกข์มันจะตายเออตา ย, ตา ย, ต, ายตายจะได้ไม่เห็นหน้าห่วงเลยใจจะไม่ทุรนทุราย เนี่ยแต่ถ้าใครดูต่อไปบรรลุมรรคผลได้นะก็กําไรมหาศาลในชีวิตของเราแล้วนี้สําหรับคนที่สนใจที่จะดูจิตใจคนที่จะดูจิตใจให้รู้สึกไปเรื่อยๆจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนแปลงทั้งวันหาคนใจง่ายสักคนหนึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยคอยดูตัวเองนี่ใจง่ายที่สุดเลยเห็นอย่างเสื้อแดงเนี่ยนะเจอคนนี้ก็ชอบนะเจอคนนี้เอ็นดูเจอคนนี้รักมากหน่อย เจคนนี้เมตตาเป็นพิเศษนะหลายอันถ้าเรามาคอยรู้ใจของเราเราจะเห็นว่าใจนี้เป็นของไม่เที่ยงการรู้จิตรู้ใจจะเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงได้ชัดมันเปลี mm. ah? ่ยนแปลงเร็วแต่รู้กายนี่เห็นมันเปลี่ยนแปลงยากหน่อยเพราะรูปมันอายุยืนกว่ามันจะเปลี่ยนนี่ใช้เวลานานแต่ถ้าดูจิตใจจะเห็นอนิจจังเร็วมากเลยเปลี่ยนวับแวบวับแบนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะ เดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดฟังนิดนึงแล้วก็หนีไปคิดดูออกไหมเดี๋ยใจเราเปลี่ยนแปลงนะไปเกิดทางตาคือออกมาดูมาเกิดทางหูคือออกมาฟังแล้วก็ดับไปหมดเลยไปเกิดทางใจคือหนีไิคิดเห็นไหมจิตมันเกิดดับเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางใจทั้งวันหน่ยเนี่ยไปเกิดทางใจแล้วดูออกไหมหนีไปคิดเออไม่ตื่นเป็นอย่างนี้นะพอรู้ทันก็จะตื่นขึ้นมาเลยง่ายมาก เส้นผมบงังภูเขานิดเดียวเรื่องปฏิบัติของเราชอบเอาภูเขามาบักเส้นผมเนี่นถ้าคอยรู้ที่ใจเราเราเห็นเลยใจนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวก็ไปทางใจเห็นอีกเป็นอ น, นัตตาบังคับไม่ได้มันจะไปทางตาหรือไปทางหูหรือไปทางใจเราไม่ได้เลือกรู้สึกไหมเลือกไม่ได้นะมันไปเองอมันเลือกของมันเองเราไม่ได้เลือก นะถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นตัวเล <oh ือกมโนทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกเราไม่ต้องเรียนอย่างก็ได้ชื่อมันยาวจำยากแตสังเกตให้ดีเราไม่ได้เลือกหรอกว่าเราจะดูหรือเราจะฟังหรือเราจะคิดมันทำงานของมันเองดูออกไหมมันฟังไปคิดไปอ่ะดูออกไหมหัดดูนะหัดดูไปเรื่อยเื่เราจะเห็นอนิจจังเออเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจหัดดูเรื่อยๆเราจะเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้ เราไม่ได้สั่งเลยมันจะไปทางไหนอ่ะมันจะไปคิดเราก็ไม่ได้สั่งให้คิดนะมันไปคิดเองนะมันจะสุขมันจะทุกข์เราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้สิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรามีสติรู้อยู่ที่ใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นอนิจจังมั่งเห็นอนัตตาบะถ้าเรามีสติรู้กายเราก็จะเห็นทุกขังมั่งเห็นอนัตตาบะดีไปคิดแล้วลืมตัวเองแล้วดูออกไหมเห็นไหมไม่ยาก หลคนที่ฟังแค่นี้เริ่มตื่นขึ้นมาแนละโดยที่หลวงพ่อยังไม่ทันสอนเลยนะว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทําอย่างไรทําไมหลวงพ่อไม่สอนว่าถูกให้ทำอย่างไงเขาไม่มีหรอกให้รู้ตรงที่ผิดเถะแล้วมันถูกเองไม่ใช่จิตของพารยาภยะก็คิดเท่าว่าคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าจิตนั้นไม่เที่ยงจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราพระอาิยไม่ใช่คนที่ฝึกจิตสําเร็จนะ อย่าไปว่าภาพระอริยมันคือคนที่ฝึกจิตจนบังคับจิตได้จิตนั้นเป็นขันจิตเป็นอนัตตาใครก็บังคับไม่ได้แต่พระอริยะน่ะเข้าใจความจริงว่าเออจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองอริยะที่เข้าใจความจริงอันนี้เรียกว่าพระโสดาบันอริยะที่ดูต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าถ้ายึดจิตเอาไว้จะเป็นทุกข์นะแล้วมันปล่อยวางจิตได้ก็เรียกพระรหัน เพราะงั้นการปฏิบัติเลยมีสองสเต็สองขั้นขั้นที่หนึ่งละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราได้พระโสดาบันขั้นสุดท้ายละความยึดถือในขันห้าในกายในจิตนียก็เป็นพระอระหรันต์เพราะฉะนั้นพระอระหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับจิตได้สำเร็จนะเพราะจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้งงกล้าไหมงงรู้ว่างงไม่ใช่งงล้วคิดงงล้วหาคาตอบรู้สึกไหม คืออย่างนี้เราไม่เรียกว่าสุขหรอกนะเรียกว่าทุกข์กับพลทุกข์ศาสตร์ใดที่ยังเป็นขันอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่นะแต่ถ้งพระอนาคาพระอนาคาเนี่ยตัวจิตผู้รู้เนี่ยจะเด่นเด่นอยู่ทั้งวันเลยไม่เสื่อมไม่หมองอะไรอย่างนี้นะหมามันรู้ตัวได้โดยไม่ต้องบังคับเลยจะรู้สึกทั้งวันนะใจจะขยับจะไหวอะไรนิดนึงก็เห็นแล้วปัญญามันรู้ว่าถ้าไหวไปแล้วมันจะทุกข์นะมันก็ไม่ไหวมันไม่ต้องรักษาม จิตจะตั้งมั่นอยู่โดยไม่รักษาเรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์เพราะมีปัญญาป่านกลางแต่เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี้แหละคือตัวทุกเี่ยตัวจิตเป็นตัวทุกนะก็ะปล่อยวางความยึดถือจิตเอาปล่อยวางความยึดถือจิตก็คล้ายๆเราเราโยนทิ้งไปแล้วโยนภาระทิ้งไปแล้วมันก็หมดภาระตรงนี้ปฏิค่ ะ, ะ ร, ร, ร, รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะคะทุกอย่างเป็นทุกข์ จะอยู่กับร่างกายเนี้จนแตกสลายไปนะพระมหากรสปักก็เคยพูดบอกว่าพระอาหารหันเนี่ยเหมือนกับใช้หนุ่มรูปหล่อรูปงามนะหนุ่มด้วยหล่อด้วยนะไปอาบน้ําทาแป้งทาน้ําหอมใส่เสื้อผ้าสวยหรูนะแต่เป็นแล้วก็พอจะออกจากบ้านเนี่ยเอาหมาเน่าตัวหนึ่งนะพาดไหล่ไปคล้องคอไปความรู้สึกของพระอาหารหันต่อขันเนี่ย เหมือนความรู้สึกของชายหนุ่มเนี่ยที่มีหมาเน่าห้อยคอนั้นตราบใดที่ยังมีหมาเน่าห้อยคอนะก็ต้องเน่าไปก่อนอย่าไปเกลียดมันนะต้องเป็นกลางเพราะมีความมนต่อมแบบที่จะเข้ามาในเส้นทางใจนี้นะคะชีวิตมันจะน่าอัจฉริยใช่ไหมคะเพราะมันโลงของเข้ามาที่มันรู้ว่าทุกสิ่งคือแบบารู้สึกขึ้นมาเองนะคะว่ามันพอจะไม่ทมันก็เกิดขึ้นเองอัตโนรู้ไปได้ ก็อยู่จนสิ้นขันแต่เดิมไม่ใช่ไม่ทุกนะแต่เดิมทุกแต่ไม่เห็นนะเหมือนมีเชื้อโรคอยู่ในตัวแต่ไม่เห็นมีคนหนึ่งนะมาต่อว่าหลวงพ่อบอกดิฉันเป็นหมอนะหมอคนไหนจําไม่ได้แล้วนานลนะเมืนะ่อ ก, ก่อนดิฉันนะไม่เห็นจะมีกิเลสเลยมาเรียนกับท่านแล้วกิเลสเยอะอ๋อเอ อ, เ อ, อมันพูดได้อย่างนี้พูดได้ลงคอบอกนี่คุณหมอ เคยเห็นไหมคนไข้ที่มันมีเชื้อโรคในตัวเองอะ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะ่ะกว่าจะรู้ตัวนี่เชื้อระบาดตายแล้วนะนี้เราสติปัญญาเราวงไวเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นในใจตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นแล้วนะโอกาสจะรอดชีวิตเี่ยมันมีแล้ว <c oughs> มีอยู่ทีมหนึ่งนะเขาชื่อทีมสิเอ็ดนางฟ้าเขาเป็นคนดนะีเป็นวิทยากรด้วยนะเที่ยวสอนกรรมฐานด้วย พอมาหาจเริศสติเข้าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทีมสิบเอ็ดแม่มดเพราะว่าไอ้คนดีเนี่ยมันหายไปมันมีไอ้คนร้ายขึ้นมาแทนเห็นแต่กิเลสโต ท, ทั้งวันเลยงั้นคอยดูนะเราจะเห็นกิเลสของเราเนี่ยเยอะแยะเลยเราจะไม่ไปเอาเรื่องกับใครหรอกพรานั้นมันก็กิเลสของเขาเขาต้องสาสาเองแค่กิเลสของเราเราก็สู้ไม่ไหวแล้วเนื่น อ, อ, นองจาเข้ามาเขาก็มีแต่ภูเห็นแต่ภูใช่ ถ้าเห็นทุกข์เต็มที่มันถึงจะปล่อยวางความยึดถืออย่าสูมว่าเราไปถือนี่มาอู้ไอ้นี่ราคาแพงเราชอบถือไว้ไม่ยอมปล่อยนะแต่วันหนึ่งเกิดรู้ว่าเอ้าวนี่มีชื้อโรคร้ายแรงอยู่ในตัวมันเอานี้รีบโยนทิ้งเลยขันห้านี้ก็เหมือนกันถ้าปราบใดยังไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเราก็จะหวงเอาไว้เราจะยึดถือไว้ตลอดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ใจจะจริง แต่ของคุณเนี่ยตอนนี้มันยังทิ้งไม่ได้ของคุณต้องดูต่อไปอีกเห็นไหมถึงเป็นทุกข์แต่ก็หนีไม่ได้ต้องเป็นกลางกับความทุกข์นะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้กายรู้ใจที่ว่ามันทุกข์เนี่ยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจของเราไม่เป็นกลางเกิดไปเกลียดมันปุ๊บให้รู้ทันที่ใจไม่เป็นกลางนี้พอใจเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางถึงจุดหนึ่งเขาจะปล่อยวางเพราะงั้นสเติต ของพัฒนาการทางปัญญาจะมีเป็นขั้นๆ ข, ขั้นแรกเลยรู้กายรู้ใจได้แต่มาเห็นกายกับใจเนี่ยเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่มาจะรู้สึกเบื่อรู้สึกมันทุกข์ทุกนะบางคนรู้สึกเบื่อมากบางคนเห็นทุกข์มากนะบางคนเห็นความน่า ก, กลัวนะบางคนเห็นไม่มีสาระอะไรเนี่ยใจก็จะอยากหนีแต่หนี้ยังไงก็ไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับตัว อ่ามติดนะยิ่งดิ้นคลุกขักคลุกขักยิ่งใช้ไม่ได้นะต้องค่อยๆสังเกตใจที่ไม่เป็นกลางเนี้ยให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะพอใจเราเป็นกลางเรารู้ทุกด้วยจิตใจที่เป็นกลางต่อไปเราก็จะรู้รูปนามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางเนี่ยคือประตูของการบรรลุมรรคผลเป็นกลางก็ปัญญาเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะกุศลน่ะกุศลไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยนะ ใจก็เป็นกลางความสุขมาก็เฉยๆเป็นกลางรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปความทุกมาก็เป็นกลางเดี๋ยวมันก็ไปความเป็นกลางเนี่ยนะเรียกว่าถ้ากลางด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเบกขายานเคยได้ยินไหมสังขารุเบกขายานเนี่ยสุดขีดของวิปัสสนาญาณในฝ่ายโลกยลียะแล้วหลังจากนั้นโลกุตระจะเริ่มเกิดล้พอใจเราเป็นกลางใจก็หมดการดิ้นรนใจหมดการดิ้นรนหมดการสแสวงหาหมดความปรุงแต่ง หมดความหิวโหยดิ้นรนนะก็คือหมดตัณหาหมดการปรุงแต่งหมดการทำงานหมดความพยายามที่จะหนีหมดความพยายามที่จะเอาดีหมดความพยายามจะต่อต้านความชั่วอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรเลยหมดการดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารนิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะหมดความอยากวิสังขารก็ได้บางทีก็อีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารหมดการปรุงแต่ง แต่ใจเรายังปรุงแต่งเรายังไม่ชอบไม่ชอบขัน5้านะเพราะงั้นรู้ไปจนใจเป็นกลางความเป็นกลางเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนะมันไม่ได้พัฒนาเองมันต้องเกิดจากเหตุเหตุคือเราดูบ่อยๆนะคอยรู้มีสติบ่อยๆพอเรามีสติเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจเนืองๆในที่สุดปัญญาก็เกิดปัญญาคืออะไร ปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ น, นั่นเองทำไมเข้าใจได้ก็เพราะดูบ่อยๆจนเข้าใจการที่มีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจวิมุตต์คือความปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็จะเกิดขึ้นมีเรื่องแต่กายกับใจล้วนๆเลยนะเรื่องกรรมาฐานเนี่ยร่มต้นก็คือให้หัดรู้กายรู้ใจนะร่างกายกระดูกกระดิบนี่ นี่เป็นกายใจเราเป็นคนรู้หัดแยกไปต่อไปก็จะเห็นเลยกายนี้มันทุกขล้วนๆเลยกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราส่วนตัวจิตใจนี่ก็ไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับก็ไม่ได้เป็นอนัตตาพอเห็นอย่างนี้มากๆเข้าใจมันจะเอือมราเบื่อนายบางคนเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นโทษนะบางคนก็เห็นว่าน่ากลัวนะเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เลย ถ้าถึงตรงนี้ต่อไม่เป็นนะไม่ลงใจรักต่อไปแล้วก็สติแตกก็ได้ทุกข์มากเลยเกลียดตัวเองเลยไปฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราคอยรู้สึกไปรู้สึกใจเราไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางในที่สุดมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้กายด้วยใจที่เป็นกลางรู้จิตใจของเราด้วยใจที่เป็นกลางในที่สุดจิตใจจะมีฉลาดมีปัญญาเป็นกลางกับทุกๆสภาวะ จิตใจพอมันเป็นกลางมันจะหมดความหิวโหยเรียกว่าวิราคะมันหมดการดิ้นรนปรุงแต่งทํางานเรียกว่าวิสังขารเนี่ยมักผลมันจะเกิดขึ้นก็ตรงนี้เองไม่ยากนะไม่ยากอย่าใจลอยกันแล้วกันรู้จักใจลอยไหมคือถ้าเมื่อไหรไ่ไม่ทําผิดเมื่อนั้นจะทําถูกสิ่งที่ผิดมีสองงานเองเหลือไปหลงไปลืมตัวเองอีกอันหนึ่งนั่งเข่งเอาไว้นั่งจ้องเอาไว้นั่งกระคองนั่งบังคับนั่งกําหนดเอาไว้ สิ่งที่ผิดมีสองอันข้างหนึ่งเรียกว่าการสุขปริการนุโยกการไหลาตามกิเลสเช่นอยากดูอยากดูวิ่งไปดูก็ลืมตัวเองก็ลืมตัวเองก็คือจเจริญปัญญาไม่ได้ละวทำมิปัสนาไม่ได้ละอยากฟังอาลองลองดูก็ได้อลองดูพระพุทธรูปอาตั้งใจดูเดี๋ยวตอบคำถามดูให้ดีนะ สังเกตไหมขณะที่เราจดจอในการดูพระพุทธรูปเนี่ยเหมือนกระจเราไปอยู่ที่พระเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมนี่ยเราลืมตัวเองเรียกว่าหลงไปทางตาวันหนึ่งวันหนึ่งหลงตลอดนะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราฟังเสียงนกที่นี้มีนกหลายชนิดนะลองตั้งใจฟังแล้วนับดูว่ามีนกกี่ชนิด สังเกตไหมขณะที่ตั้งใจฟังนกร้องเนี่ยเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยเรียกว่าหลงฟังอย่างข้างบ้านหัวเมียเขาซุบซิบกันแม้มีทิพย์ผสน์น ะ, ะได้ยินหมดเลยแต่ลืมตัวเองนะขณะใจที่เราลืมตัวเองขณะนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาบอกแล้วนะกนะ็คือการรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจอยู่คนเดียวนั่งคิดสังเกตไหมฟังหลวงพ่อฟังไปคิดไป ขนาดที่เรารู้เรื่องที่เราคิดน่ะเราก็ลืมตัวเราเองนะนี่วันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะหลงตลอดไม่หลงดูก็หลงฟังไม่หลงฟังก็หลงคิดนะหลงทั้งวันเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยหาคนรู้สึกตัวไม่ได้สักทีมีแต่คนหลงคนหลงเต็มโลกเลยนะคนรู้สึกตัวไม่มีเนี่ยหลงไปคิดละทราบไหมที่ใส่เสื้อผ้าพี่คณรเนี่ยใจมันหลงไปคิดนั่นหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ย เห็่ไหมใจเราหลงตลอดงั้นศัตรูของการทำมิปัสนาอันดับหนึ่งนะคือหลงไปหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจหลงไปคิดศัตรูหมายเลขสองถ้าหลงไปเนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เลยศัตรูหมายเลข2คือนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องจ้องมันทั้งวันเลยไม่รู้จ้องทําอะไรจ้องอยู่เย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งจ้องนะท่านสอนให้รู้อย่างที่มันเป็นให้ตามรู้ไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวก็เออไอตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งจ้อง ก็เอาละมันจะกระดูกระดีกแล้ว <c oughs> โอ้เหน็ดเหนื่อยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นวนะ <c oughs> ิปัสสนาทำได้ตลอดถ่าหนึ่งไม่เผลอไปสองไม่นั่งเพ่งเอาไว้ <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> อยู่ตรงไหนก็ทำไดนะ้ยกเวน้นตอนนอนหลับ ยกเว้นตอนทำงานที่ต้องใช้ความคิดขณะที่เราทำงานที่ใช้ความคิดเราต้องไปรู้เรื่องที่คิดแล้วก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสนาไม่ได้นอกนั้นทำได้ตลอดขี่สามล้อก็ทำมิปัสนาได้เดินชอปปิ้งก็ทำมิปัสนาได้ดูละครทีวีก็ทำมิปัสนาได้ทำได้หมดเลยไม่เลือกนะแค่ตามองเห็นจิตใจเราหวั่นไหวขึ้นมาก็รู้ทันมันไป ให้รู้ทันว่าหลงห้ามไม่ให้หลงไม่ได้ให้หลงไปก่อนหลงแล้วรู้ว่าหลงถ้าหลงไปแล้วไม่รู้ว่าหลงนมันจะหลงทั้งวันหลงยาวแต่ถ้ามันหลงแวบรู้สึกเนี่ยเนี่ยหลงไปแล้วไอ้ไหมลืมตัวเองแล้วเนี่ยหันรู้สึกบ่อยๆในที่สุดนะเราจะหลงบ่อยๆคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกหลงวันละครั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยของเราจะหลงบ่อยไหวไหลแวบรู้แวบรู้แวบรู้ถามว่าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรรู้อยู่แค่เนี้ย ได้ประโยชน์มหาศาลเลยเราจะเห็นความจริงถึงจุดหนึ่งนะปัญญาจะเกิดมันจะรู้เลยว่าจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้จิตที่มันหลงอยู่หรือจิตที่มีกิเลสอยู่สั่งให้มันหายก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยจะรักษาไว้นานๆก็ไม่ได้เกิดได้แวบเดียวมีแต่ทุกสิ่งทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่ ท, ที่เป็นอกุศลนะทุกสิ่งที่เป็นสุขและทุกข์อะไรทั้งหมดเนี่ยตั้แต่เกิดแเรากะดับหมดเลย ในที่สุดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะพระโสดาบันคือคนที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นแค่นี้เองไม่ได้รู้อะไรเยอะนะเราชอบวาดภาพพระอาริยะเกินกระทั่งกลายเป็นซูเปอร์แมนไปพระอาริยะต้องตีขรือห้ามยิ้มพระอริยะต้องเคลื่อนไหวน้อยๆเพราะเคลื่อนไหวเยอะเป็นโลภะนะพอดีองนั้นใครเป็นง่อยก็เป็นพระอาริยะเลยนะ ไม่ชอบไปวาดภาพให้มันที่กวนที่การมันอยู่ที่ใจยึดถือไหมใจถูกกิเลสครอบงำไห ม, อ, อ, ม, ม, ม, มอ้อาอ้าวเชิญเบื่อให้รู้ว่าเบือ่อถ้ามันเบื่อนะดูไปดูจนใจเป็นกลางกับความเบื่อสังเกตไหมความเบื่อเป็นของที่ใจไปรู้เข้าดูอย่างนี้นะ ความเบื่อเป็นของที่ใจไปรู้เข้าใจเราไม่เคยเบื่อเลยนะดูให้ทันตรงนี้นะนั้นใจจะเป็นกลางกับทุกสภาะวะ ต, ต, ตามเราก็รู้ทันว่ามันตามไปแล้วไม่ห้ามห้ามไม่ได้นะั่วมันตามไปรู้ว่าตามไปไม่เป็นไ ร, ไ ม, นไรมันอยากไหลก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานะเราเป็นแค่คนดูเอาละแก่ไหลไปดูซิแก่จะไหลานานเท่าไหร่นะ เราอย่าไปฝืนนะให้มันจะน้ําตาไหลกั้นไว้กั้นไว้นะกลายเป็นกรรมฐานเจ็บปวดนะของง่ายที่สุดเลยนะกรรมฐานนะวิปัสสนาเนี่ยของง่ายที่สุดเลยไม่ได้ทําอะไรลึกลับเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นไปไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัต ถ, ถุธาตุที่เราไปรู้ไปเห็นเข้าจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ไปมีแต่ของไม่เที่ยง เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เนี่อะไรเกิดขึ้นรู้รูปเดียวอย่างนี้นะไม่เข้าไปแทรกแซงรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่ใช่ตัวเราจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงว่าขันห้าไม่ใช่เราก็นะาเป็นพระโสดาบันอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่ไกลๆทําไปอีกหลายชาติตรงนีเจออย่างนั้นอีกหลายชาติก็ไม่เจอรู้กายรู้ใจไปเดี๋ยวก็เจอแล้ว เจอมันชาตินี้เจอชาติไหนอะนะนี่วิคิดแล้วครับพี่คณะอ่ะคนนี้ล่ะเป็นไงนดีงดละดูเลยได้คื อ, คอไม่ต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวยุ่งรู้ทันใจของเราไว้ พอตามองเห็นเนยนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้ทั น, นถ้าไม่ไม่เกิดใจเฉยๆก็รู้ทันเมื่อใจเฉยๆนหูได้ยินเสียงไม่ต้องไปตามไปที่หูพอหูได้ยินเสียงเ้าด่าเราปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นที่นี่รู้ว่าความโกรธเกิดที่นี่ดูที่ใจอันเดียวคล้ายๆเราเฝ้าอยู่ที่ประตูมันะนะทางเดินก่อนจะมาเข้าบ้านเรามีตั้งหลายทางไหนมีทั้งหกทางจะเดินมารวมอยู่ที่ประตูนี้อันเดีย ว, วเราเฝ้าอยู่ที่ประตูนี้ รู้อยู่ที่ประตูนี้คือใจของเราอันเดียวเพราะฉะนั้นตามมองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันผู้ได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทั น, นฟังและเชื่อต้องฟังให้รู้เรื่องต้องฟังไปคิดไปนะไม่งั้นสอบตกนะต้องแยกกันระหว่างการที่จะทางานที่ใช้ความคิดนะกับการเจริญสติตแยกออกจากกันซะ เวลาที่เราทำงานที่ต้องคิด ต, ต้องไปคิดให้รู้เรื่องนะจิตใจจดจ่อทำงานไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่ถ้าเราทำงานไปแล้วเราเกิดเบือ่อเบื่อไม่ใช่งานนะเบื่อเป็นกิเลสมีสติรู้ว่าใจเบือ่อนะเกิดขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจรู้ทันใช่ใช่ไม่ใช่เวลาจเจริญสตินะถ้าเราทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่ใช่เวลาจเจริญสติ แต่เป็นเวลาที่ต้องจดจ่อกับงานนะแต่ถ้าเราเป็นคนฉีสามล้อนะสามล้อฉีบอย่างตามบ้านนอกเนี้ยอย่างเงี้ยเจริญสติได้รนะ่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันฉีบสามล้อเราไม่ได้ฉีบหรอกเราเป็นคนดูนะอย่างเงี้ยทาได้หรือทางสุรินมีแม่ค้าขายผักถึงคนแกนะขายผักแกก็ดูใจงั้นแกไปวันนี้ขายไม่ออกเลยมันรุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจไม่ใช่ไม่รุ่มนะ ขายไม่ออกรุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเห็นเลยความรุ่มใจเป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จิตเราจิตเป็นแค่คนไปรู้ไปดูเนข้าววันนี้คนมาซื้อเยอะดีใจดีใจรู้ว่าดีใจได้เกลียดแต่ไม่ค่อยได้เงินหอ <laughs> นี่ไงสติตรงนี้เราใช้ตอนที่มันเครียดใช่คืองี้นะอ่ามันเป็นพวกมากกว่าที่มันอยู่ที่เราต้องฝึกถ้าเราหมั่นดูจิตใจของเราเรื่อยๆนะพอเราทํางานเนี่ยพอมันเครียดปุ๊บมันดูของมันเองอะความเครียดจะกระเด็นหายไปเลยทันทีที่สติเกิดในอกุศลจะดับอัตโนมัติถ้าสติตัวจริงนะสติตัวปลอมอกุศลไม่ดับหรอก ถ้าสติตัวแท้ๆเกิดนี่จะดีดกระเด็นไปเลยนะใจของเราก็สบายแล้วก็ทำงานต่อนะสมัยก่อ น, นอาตมารับราชการนะงานหลักเลยของสภาความมั่นคงแห่งชาติคือประชุมชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสภานะงานหลักคือประชุมแล้วทำเอกสารไปพรีเซนตะ์โอ้เขาชมเขาชมแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจนะวันนี้เมมเบอร์ว่าเอวคนนี้ จากกระทวงนี่นะไอ้คนที่ปากมากนี่ใส่ก็ไม่ดีก้าวร้าวเห็นหน้ามันก็เกลียดแล้วมันยังไม่ทันพูดเลยนะ<ม>เกลียดรู้ว่าเกลียดแล้วนี่รู้ทันอย่างงี้<ม>คือเวลาพรีเซ น, นต์ไปตอนพรีเซนต์ใหม่ๆตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอย่างเงี้ยใน<ม>สุดใจไม่ตื่นเต้ น, น<ม>พรีเซนต์ไปแล้วเขาชมชมมันดีใจไม่ใช่ไม่ดีใจนะไม่ใช่กลายเป็นก้อนหินนะมันดีใจเออดีใจรู้ว่าดีใจเห็นตอนดีใจเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็พรีเซนต์ต่อ พิเนแต่คนมันว่าเรามันว่าแหมเขียนได้ฉลาดเหมือนเด็กปอ .4 อย่างเงี้ยฟั <c oughs> งที่แรกเขียนได้ฉลาดมากฟังแล้วดีใจนะเหมือนเด็กป .4 ซิกนะโทรษาเกิดหรือว่าโทษาเกิดเนี่ยดูไปอย่างนี้ในสุดใจก็เป็นกลางอย่างเป็นกลางก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปทนี้เราเก่งแล้วเนี่ยจิตก็จะไม่ไม่ใช่จิตคิดทั้งวันไม่เลิกเลย แต่ไม่หลงสงสัยทราบไหมให้รู้ว่าสงสัยนะไม่ต้องหาคาตอบนะเราไม่ต้องการความฉลาดเราไม่ต้องการความรู้จิตนะสงสัยรู้ว่าสงสัยเราเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยตัวปัญญาตัวจริงอยู่ตรงนี้ตั้งหากสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเนี่ยคือปัญญาตัวจริงนะในตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม คิตไม่เลิกทราบไหม <c oughs> เนี่ยคอยรู้สึกตัวไว้แบบนี้ใจมันจะโล่งๆนะเวลาที่รู้สึกตัวจิตเป็นกุศลแท้จริงขึ้นมาใจจะโล่งเบาสบายเอาคุณข้างหลังนู้นล่ะมากับใครข้างหลังนู้นนะรู้เรื่องไหมค่อยดูนะคอยดูเอาไม่ยากหรอกเชื่อหลวงพ่อสิถ้ายากก็ไม่มีใครก็ททำได้หรอก ทางอีสานนะโยเขามีมีคำพังเพยคำสอนมบลาณนะนะเขาบอกว่าสำเนียงไม่เหมือนนะสำเนียงไม่ถูกนะ้วแต่ว่าภาษาเขาบอกว่าอยากทําได้ถามหญิงต่ําหูอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควายนะคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบลอยกันอยากทําได้ถามหญิงต่ําหูหญิงต่าหูคือผู้หญิงทอผ้า อยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงกวายูสิฟังแล้วงงงมไหมเอาไปคิดเองไหมโ่าเดี๋ยวนี้ทำไมขี้เกียจทำกันบ้านเนาะอนี่คนนี้ไม่ได้อยู่ไกลนะบ้านอยู่ภูเขานี่เองอยากทำได้ถามหญิงตำปุกผู้หญิงทอผ้าไม่ใช่สาวฉันธนาตามโรงงานนะพวกนั้นไปถามมันไม่รู้เรื่องหรอก เคยเห็นผู้หญิงทอผ้าแบบโบราณไหมที่นั่งใช้กี่กระตุกเงี้ยกระตุกกระตุกไปเรื่อยตกเอาฟืมกระแทกสังเกตดูเวลาเขาทอผ้าเนี่ยเขาจะรู้อยู่เฉพาะหน้าเขาไม่วอกแวกไปที่อื่นนึกออกไหมคําว่าถามผู้หญิงทอผ้าก็คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนั่นเองแล้วการทอผ้าเขาไม่ได้ทอทีเดียวเสร็จใช่ไหมไม่ใช่กระแทกทีเดียวเสร็จ ก็ทําซ้ำๆๆนั่นน่ะกว่าจะได้ผ้าทั้งผืนยาวๆเนี่ยกะแทกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งหมายถึงว่าให้เราตามรู้ตามดูเนืองๆรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่กรรมฐานเนี่ยทำกันทั้งชาติเลยนะตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยนะรู้เฉพาะหน้าอยู่อย่างเงี้ยรู้ซ้ําแล้วซ้าอีกนี่ถามผู้หญิงทอดผ้าเป็นอย่างนี้เออคิดถูกนะ อ่ายมรวยรู้เรื่องแล้วนี่โยมรวยก็ทำถูกสิแต่คนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ถูกเพราะเขาไม่ยอมถามเด็กเลี้ยงควายอ่ใช่เพราะยมรวยเข้าใจธรรมะแล้วนี่อ่ดีแล้วอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายพวกเราไอ้ชอบมาถามอ่ะ ที่ทําอยู่นี่ถูกไหมคะมาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ใช่เด็กเลี้ยงไกวยนะหรือว่าถามจะทํายังไงถึงจะถูกงัน้นไปถามเด็กเลี้ยงไกว้เอาถ้าไปถามเด็กเลี้ยงไกวยมันจะตอบว่างไงไม่รู้ทําไม่เป็นหรอกทําไม่ได้หรอกนี่แหละสุดยอดกรรมฐ า, านเลยรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าทําอะไรขึ้นมาอีกนะไม่ใช่ว่าทํายังไงจะเอาจิตไปตั้งไว้ไหนดีเนี่ย เด็กเลี้ยงวายไม่คิดลนะะไม่ต้องคิดมากนะรู้ลงไปตามที่เขาเป็นเลยไม่ต้องหาทางทําให้ถูกนะรู้ว่ามันผิดเมื่อไหร่มันถูกเมื่อนั้นแหละเพราะงั้นที่ถูกเนี่ยไม่มีทางทําได้นะพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมะถึงเริ่มต้นสอนสิ่งที่ผิดก่อนนะธรรมะจับ ก, กับประวัติตนสูตรเนี่ยเริ่มต้นบอกว่าที่สูตทั้งหลายสิ่งที่บัญญัตชิดไม่ควรเสพมีสองอย่างมีความผุดตรงสองด้าน อันหนึ่งการสุขสันิการนิโยคหลงตามกิเลสคือตัวเองอันหนึ่งอัตตากิรัมัฐานนิโยคบังคับกายบังคับใจตัวเองพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับตัวเองรู้สึกไหมเราทำขื่อมก่อนขื่มร่างกายก็ต้องทื่อไว้ก่อนนะใจก็ต้องทื่อคื่มแล้วก็นั่งเฝ้าไว้เนียให้ถูกหรอกให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ไปบังคับเขาเพราะฉะนั้นอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควาย มันจะตอบอ่าไม่รู้หรอกทําไม่เป็นหรอกทไไําไม่ได้หรอกเจริงๆทําไม่ได้หรอกะให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเนี่ยยมหรวยให้ตามรู้ยังไยมรวยก็กำเพลินในการพูดแล้วรู้สึกไหมแท๊กมันนะเอออ้อาวพูดได้เออนะ เรียนธรรมะต้องใจเด็ดๆนะโยมรวยนี่ใจเด็ดโดนหลวงพ่อปบศัพท์ทุกวันคือรู้เร็วกับรู้ช้าเหรอรางคนรู้เร็วกาบคนรู้ช้าเนระื่งี้ เราะว่าเขาไม่คิดมากนะคิดมากยากนานสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีคนเคยฟังธรรมะพอฟังแล้วปิ๊งเลยพวกเราเหมือนเชื่อโรคดื้อยานะฟังเยอะไปฟังแล้วแตกแตกไม่ปิ๊งอะ่ะฟังแล้วคิดมากอย่างท่านบอกง่ายๆนะทิศทุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในาการอย่างนั้น นะพิสูจนทั้งหลายรู้สึกตัวเลยเนี่ยกายอยู่ในอาการยังไงรู้เป็นงั้นเออมันไม่ใช่เราเอาบรรลุไปนะของเรารุ่นเนี่ยเอายมทั้งหลายให้มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นยังไงคะนะ เ, เริ่มนะเริ่มคิดมากเลยคิดมากยากนานนะจะเอาจิตไปตั้งตรงไหนดีคะนะเนี่ยรู้รู้ตัวเนี่ยจะรู้ที่ขาก่อนหรือรู้ที่เท้าหรือรู้ที่ท้องคะไหมคิดมากยากนาน รู้ยังที่จริงสิ่งที่ทําให้ปฏิบัติช้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะมีสามันนะเรียกว่าปปัตจะทำนะทําให้เนิ่นช้านะอันที่หนึ่งก็คือตัณหาอยากมากอยากยิ่งอยากยิ่งทําไม่ได้ยิ่งอยากปฏิบัติยิ่งทําผิดนะอันที่สองมานะ โอ้คูเก่งแล้วคูแน่แล้วคูหนึ่งแล้วมาฟังธรรมะเนี่ยโอ้พระองนี้พูดอะไรไม่เอาไหนเลยเราพูดได้ดีกว่านี้อนะีหรื อ, อฟังแล้วก็เหมือนเหมือนกันพอๆกับเราแหละหรือโอดีฉันโง่ถามวันนี้ฉันฟังไงก็ไม่รู้อ่ะดีฉันอย่างโง่อนะ่ะคิดแต่ว่าตัวเองดีตัวเองปานกลางตัวเองแย่เรียกว่าหมานะโมแต่คิดอยู่เงี้ยไม่รู้สักทีนะอีกงานหนึ่งคือคทิดผิเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นเือเกิน โนะดยเฉพาะพวกที่เข้าหลายวัดนะฟังวัดนี้เปรียบเทียบกับวัดโน้นเอาแต่คิดอนะ่ะไม่ดูเอาสักวัดเลยนะอาจารย์สำนักนี้สอนให้ขยับนะพออาจารย์สอนให้ขยับก็คิดเอ๊ะหลวงพ่อวัดโน้นสอนให้ดูลมหายใจอันไหนมันจะดีกว่ากันนะเห็นไหมอพอมาอยู่อีกวัดหนึ่งหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตเอ๊ะวัดโน้นท่านให้ขยับกา ย, ยกายกับจิตอันไหนมันจะดีกว่ากันนะรงมความแล้วมันคิดถาวร อ, อะ่ะเข้าใจไหมไม่ดูสักทีอ่ะก็เลยช้า งั้นอยากให้เร็วนะอย่าคิดมากอย่าอยากมากนะอย่านึกว่าเราโง่หรืออย่านึกว่าเราแน่รู้ไปเลยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแอปเดียวก็เข้าใจแนละ้ง่ายไม่ยากหรอกยากสําหรับคนคิดมากคิดมากยากนานถ้าใครจะถามอะไรได้อีกสักคําถามหนึ่งนิยมไม่เบื่อบ้างนึงไงมาเรื่อยๆซ้ำๆ มาก็ฟังเหมือนเดิมทุกวันเลยเนาะ <c oughs> ไปฟังซีดีจะรู้เลยว่าหลวงพ่อก็พูดใล้ายคล้ายกันทุกวันเนี่ยประมาณจะต้องทำเหมือนเดิมทุกวันทุกวันใช่เพราะเราจะต้องทําแบบผู้หญิงทอผ้าหลวงปู่มั่นสอนเนี่ยบอกเขาทํานานนะเขาก็ต้องทําในที่นาไม่ได้ไปทําบนอากาศทํากรรมฐานเนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจทําตั้มๆอยู่อย่างเงี้ย นะไม่ใช่ไปอยู่ในอากาศคือไปอยู่ในความคิดความคิดความเห็นของเราเหมือนภาพลวงตาในอากาศไม่มีจริงเพราะฉนั้นทำกรรมฐานรู้กายรู้ใจของจริงนี้นะรู้ซ้ําๆแต่เกินกระทั่งใจมันเกิดปัญญาทําไมบางคนมีปัญญาเร็วบางคนมีปัญญาช้าอยู่ที่อบรมมาแค่ไหนนะมีสติดูบ่อยๆปัญญามันก็เกิดเร็วนานๆจะมีสติไปดูสักทีหนึ่งปัญญามันก็เกิดช้าเหมือนคนขี้เกียจทํากันบ้าน ก็ไม่เก่งอสิถ้ามีสติดูอยู่ทั้งวันมันก็เก่งเร็วไม่เห็นมีอะไรลึกลับเลยเนาะนนดูบ่อยๆนะรู้เนืองๆไปเดี๋ยวปัญญามันเกิดกกคืออย่างนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นต้องแยกให้ออกปัญหากับความทุกข์เนี่ยควรละอ่านกัน ของเราเนี่ยพอมีปัญหาแล้ว เ, เราแถมทุกข์เข้าไปด้วยของเราทุกข์เพาเราไม่อยากให้มีปัญหานะสมมุติลูกติดยาไม่อยากให้ลูกติดยาเลยเลยทุกข์เลยลูกติดยาเป็นปัญหานะอยากให้ลูกเลิกติดยาเนี่ยความอยากเกิดขึ้นนะใจเป็นทุกข์เลยมันไม่เลิกอย่างที่เราอยากเพราะฉนั้นขั้นแรกเลยนะความทุกข์เกิดที่ใจมีสติรู้ทันกันนะมีอาเสียคนหนึ่งเช็คเด้งสิบล้านคิดได้อย่างเดียวกูอยฆ่ามึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ มามาฟังธรรมะบอกว่าคลุ่มใจรู้ว่าคลุ่มใจให้มาดูคลุ่มใจรู้ว่าคลุ่มใจใจไม่คลุ่มแล้วใจไม่ทุกข์อะไรกินอิ่มนอนหลับอันนี้สมองปลอดโปร่งไปคิดแก้ปัญหาเพราะนั้นใจเราให้มันดีก่อนปลอดโปร่งนะแล้วไปแก้ปัญหา<ด><ด>เวลาจะแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์ก่อนนะสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนไปแก้ที่สาเหตุตรงนี้อะไรเป็นสาเหตุหลัก อะไรเป็นสาเหตุรองแก้สาเหตุหลักก่อนถ้าทําได้ทําไม่ได้ค่อยแก้สาเหตุรองเนื่องปัญหากับความทุกข์เป็นคนล่านกันยาวไปปนกันของเราพอมีปัญหาเราก็แถมทุกข์เข้าไปด้วยส่วนนักปฏิบตัติใจเป็นทุกข์รู้ทานใจไม่ทุกข์แล้วเหลือแต่ปัญหาก็าไปคิดแก้ปัญหาด้วยสมองที่แจ่มใสอ่ะเชิญกลับบ้านได้ใครจะไปไหนก็เชิญนะขอให้ไปก็แล้วกัน